แล้วเขามาหน่อยเดียวมันไม่ใช่พายุนะเนี่ยมันเป็นฝนโดยบังเอิญท่านเองแล้วก็ไปอุดรเมื่อวานกนะับฝนก็ไม่ตกตลอดทางนะร้อนอีกต่างหากาแดดเปี้ยงเลยเมื่อวานนะไม่มีพายุแล้ววันนี้วัชรินีสมชายมันร้องเมืองเช้านะคงจะเตือนอีก ฝนคงจะตกแล้วเนะ่าเตรียมตัวเนะ่อเคงจะว่ า, ากันนะ่ะชมชายมันร้องมุ่งเช้าวันนี้เป็นวันที่สามสิงหาคมพุทธศักราช2556แต่เมื่อวานเขาสาเหตุที่ไปเรื่องใหญ่ก็คือไปวัดโพธิสมพรทาง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 ฟังฟังดูมเมื่อวานนคณะไอ้สำนักพุทธที่ทแถลงให้ฟังบอกมีอยู่9ก้าห้องจะเป็นห้องใหญ่นะใช้เงินประมาณห้าสิบกว่าล้านทางหลวงปู่ก็บอกอเราแก่แล้วเราน่าจะสร้างตึกเป็นที่ระลึกลักษณะอย่างนั้นละลูกหลานคณะสัทธาญาตโยมพระเด น, นก็เลยรวมกันหาทุนเพื่อตกแต่งตึกหลังหนึ่ง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 แต่ใ้พอทําไปแล้วก็หาเงินได้ประมาณได้เงินสาสิบกว่าล้านนะีที่พูดเมื่อวานนะ่ยโคศกพูดให้ฟังได้เงินสาสบสามล้านกว่านะก็ยังขาดอยู่ก็เลยได้เรื่องเลยข่าก็เลยไปถึงพระเนธประกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านก็เลยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงก็เลยพระราชทานเงินก้อนนี้ผ่านทั้งเจ้าคุณ วัดสัพพทุมเจ้าคุณมหาทาวรที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ใหญ่วัดโพนะนำมาถวายเป็นเงินทั้งหมดที่ประกาศเมื่อวานเนี่ยี่สิบสองล้านหกแสนกว่าแต่ไม่ถึงเจ็ดแสนนะแต่หลวงพ่อจำไม่ได้แต่หกแสนกว่ า, าแล้วก็ทราบว่าทางธนาคาร กรุงเทพฯมาถวายอีกอันนี้ก็คือถวายจะตุปัจจัยเพื่อสร้างอาคารห้องไอซตึกโรงพยาบาลข่าวนี้คิดว่ า, าน่าจะเสร็จได้ะฉนนั้นท่านทำพิธีใหญ่เมื่อวานใครเข้าแต่งชุดขาวรับประธานรับเงินจากในหลวง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 เมื่อท่านได้จตุปัจจัยแล้วท่านก้มองท่านจะไปช่วยที่ไหนโรงพยาบาลโรงเรียนหรือว่าสถานสงเคราะห์ต่างๆกระทั่งหมาพิการท่านก็สร้างให้อาคารให้หมาพิการเลี้ยงดูหมาให้เดือนละให้โรงพยาบาลเดือนละอย่างท่านมาโรงพยาบาลนายูงอย่างนี้ท่านก็ให้ในเดือนละสองห0ื่นไม่ใช่เดือนละสอง0 0ื่มาครั้งละสอง0 0ื่น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 บางทีแม่ก็ดีสามีก็ดีลูกก็ดีอยู่ที่โรงพยาบาลก็ไม่มีเงินที่จะซื้ออาหารกินเลยมีแต่ว่าคนป่วยผลในสุดทางโรงพยาบาลถ้าเขาจะกลับไปเอาอาหารบ้านของเขามันก็ไกลรถจักรยานก็ไม่มีมอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีถ้าจะเดินกลับไปก็ไม่ได้เงินจะซื้อกินก็ไม่มีนี่เป็นภาระสําหรับโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็ต้องทําอาหารเลี้ยงสองมื้อ เช้าก็ข้าวตม้มตอนเที่ยงก็เป็นอาหารหนักบางทีก็ตอนเย็นก็มีอาหารเสริมบ้างแต่นี้การที่ทำอาหารมันก็ต้องใช้เงินใช้เงินโรงพยาบาลที่จะเลี้ยงคนมันจะเลี้ยงคนเดียวกงไม่ได้เมื่อกี้คนที่มาพักค้างทั้งเพาะอ่อนทั้งโรงพยาบาลก็ต้องดูจากนั้นก็ได้ใช้เงินก้อนนี้นะเพราะนีมันเป็นเงินพอกหางหมูถึงจะไม่มาก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 แล้วกิดทั้งเอาหงอาหารอะไรด้วยในมอบในโรงพยาบาลนะาเนอร์จะมีความจําเป็นพอเรามองไม่เห็นนี่แหละพอเราได้ยินเราของอือหลวงตาเนี่ยท่านอมองดูประเทศชาติมองดูลูกหลานท่านไม่ได้มองบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง, งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งท่านมองเป็นภาพรวมพวกเราที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาก็น่าจะเอาตัวปัจปจัยไปถวายท่านนี่แหละ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 พ่อแม่ปู่ย่าตายายท่านก็ช่วยเหลือแต่นี่ท่านเป็นทวดแล้วแต่นอายุมากแล้วแตอบางทีท่านก็ไม่กล้าตัดสินใจเหมือนกันปู่มันจะผิดกลัวมันจะถูกเพราะอายุมากแล้วอมอบให้ลูกให้หลานให้พวกคณะกรรมการที่อยู่ใกล้ท่านเรานะ่ะช่วยกันดูแลเนาะอย่างนี้เป็นต้นแต่นี่พวกเราอยู่ห่างไกลระหว่างในหลวงทำไมไม่เปืนเหมือนตะกอนทาไมไม่ช่วย เหลือประเทศชาติแต่ก่อนเราลืมคิดไปว่าในหลวงอายุของพระ อ, องค์ท่านมากแล้วเพราะนั้นพวกเราควรจะเชิดชูบูชาว่านี่คือท่านผู้มีพระคุณต่อประเทศชาติต่อพวกเราท่านทั้งหลายสิ่งเหล่านี้พวกเราท่านทั้งหลายควรจะสำนึกไปในใจไว้อยู่เสมออันนี้คือพระคุณถึงเหมือนกับพ่อแม่ของเราสมัยท่านเป็นหนุ่มท่านก็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 ปล่อยให้เราทุกข์ยากลำบากอันนั้นเพราะว่าลูกประเภทนั้นเป็นว่าลูกโง่ลูกโง่คนที่โง่แล้วจะลำลึกถึงพระคุณคนเนี่ยลำลึกยากคุกลูกที่โง่เหมือนกันจะลำลึกถึงบุญคุณของพ่อแม่เนะี่ยคิดไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะลูกโง่ถ้าลูกที่ฉลาดแล้วก็จะต้องลำลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ได้เลี้ยงดูเรามา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 หลวงพ่ออินนะหลวงปู่นนะ อ, อินนะอาจารย์อินนะหลวงตาอินนะพระอินน ะ, ะเราไม่คิดว่าเราจะหนุ่มไปข้างหน้านะเราจะแก่ไปข้างหน้านะแต่เมื่อเราแก่ไปข้างหน้านีน่เราจะทํำยังไงจะต้องปั้มปั้มเปื่อเปอื่จะต้องคิดอะไรมันก็ต้องช้ามันต้องคิดอะไรมันจะทําการอะไรมันก็ต้องได้พึ่งพาอาศัยพาะลูกพระหลานอพระน้องพระนุ่มทั้งหลาย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 เป็นอย่างก็เป็นอย่างนี้ไปซับสอยุยงพระพุทธเจ้ากัจะทํำยังไงเพราะไม่มองเห็นใครอื่นก็เห็นแต่องค์ยุนองเนี้ยองเนี้กันเนี่ยมองไปทางกิเลสทางความโลภความออยากจะได้ทรัพย์อยากจะได้คนยกย่องสรรเสริญเชิดชูบูชาตัวเองะผลในสุดล้งปูก็ทำอะไรเออเออเออเออเข้าไปเลย พอไดก็เลยหลงปู่ครับองคนั้นไม่ดีนะองค์นี้ไม่ดีนะเออจากนั้นก็ด่าอง์องค์อื่นเลยนี่แหละดูดูแล้วพวกอยู่ใกล้เป็นพิษเป็นภัยต่อพี่น้องประชาชนลูกหลานสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อเองหลวงพ่อไม่ใช่หลงพ่อไม่รู้นะหลวงพ่อรู้เออหลวงพ่อเคิดเออเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะทํำยังไงสรุปแล้วก็คือมีแต่สอนให้ลูกศิษย์ลูกหานะ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 คนนั้นหลวงพ่อไม่คิดว่าจะหนุ่มไปข้างหน้าแก่ไปข้างหน้าปีนี้นะเจะปาเข้าเจ็ดสิเลยถ้าว่าขั้นเจ็ดสิบแเนี่ยบางคนก็มองหาหีป้าโลงแล้วนะงกงากโงกงากนออะเพราะเห็ุไรเพราะอายุถึงขนาดนี้แล้วเมื่อวา น, นกัเนี่ยได้ยินข่าวว่าอาจารย์ผจญอายุเจ็ดสิบปีแกโค้หลวงพ่อแต่พรรษาอ่อนกว่าปีที่สองปีนั้นนะ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 นายในระ บ, บาลถือหอกถือหลาบมาจะมาแทงมาฆ่าเรานะเนพราะเธเลือกถึงความชั่วนะใช่ถ้าเราเลือกถึงคุณงามความดีและเลือกถึงศีลถึงทานถึงภาวนาที่ได้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้จิตใจก็จะจะเห็นแต่เทวุทธเทวดาอินพรหมมีแต่เห็นแต่พวกสิ่งที่จะมาต้อนรับขับสู่ยับยกย้ายไปต่างประเทศยกย้ายข้ามภพข้ามชาติไปไปลดค่า รถข้าเนี่ยไปสู่สวรรค์ชั้นจ้าตุมนะเอาจะไปไปแต่ชั้นรถของข้าเนี่ยไปอยุ่เนะ่ยชั้นยามาตุติตาเอาอเทวดาเขาจะชักชวนไปเออเราก็เลือกจะขึ้นรถคันไหนก็ขึ้นได้เพราะอะไรบุญกุศลของเราพร้อมนะแต่ถ้าเราไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลระลึกถึงอะไรระ ล, ลึกถึงแต่ความชั่วจะไปนระกหนุห ล, ลุมไหนเท่นี้ยระลึกถึงความชั่วเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะอที่พูดทางนี้ทางนั้นให้ฟังคิด